เขากาเขโอกาสจากหลวงพ่อรงสุขหลวงพ่อกลมจากพรับาจันยุกินะฮะาจันทรงศิลแล้วก็ป้จาจันสุริรนนะฮะก็พูดพูดอะไรสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆเนานะอย่างนั้นก็น <c oughs> ก็วันนี้ก็มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งก็ตอนบ่ายๆมีหนุ่มใหญ่ๆคนหนึ่งก็มาหาที่กุศเนาะถามหาหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเลิกเหล้ามาได้สี่ปีแล้ววันนี้ก็จะมาขออนุญาตหลวงพ่อขอกินเหล้าใหม่ <c oughs> <c oughs> เออนะแบบว่าเอถ้าเกิดว่าพระอนุญาตบอกเออโยมไปกินเหล้าเถอะนะอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นก็วัดเนาะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะอย่างนี้ก็อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> พูดคุยกับเขานะฮะว่าเออเขาเป็นยังไงนะแบบว่า ก็เป็นไงเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อตอนก่อนเนี่ยสักสปีก่อนเคยมากราบหลวงพ่อครั้งหนึ่งแล้วก็แบบว่าเขาเองเนี่ยเขาก็สปีมาที่ผ่านมานี้เขาก็เลิกเล่ามาตลอดก็าถามว่าเลิกแล้วดีไหมเขาบอกก็ดีนะก็บอกว่าชีวิตก็ดีก็บอกว่าเออแล้วทําไมลราก็ชีวิตดีอยู่แล้วก็จะกลับไปกินอีกทําไมล่ะเขาก็บอกว่าอ ม, มัน เห็นเห็น <í> มันก <c oughs> <c> ็ม <c oughs> hmm. ัน so ก็นึกอยากจะลองชิมดูนะว่ามันจะมีรสเป็นแบบไหนเขาก็บอกอย่างนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าก็คงไม่ได้อะไรมากมายก็คงเป็นนิดๆหน่อยๆไปอะไรงีอย่างนั้นก็เราบอกว่าเออก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็เราก็ทิ้งไปเลยไม่ดีเหรอก็ทิ้งมาตั้ง4ี่ปีแล้วอะไรเงี้ยก็ชนเขาชวเขาคุยนะเขาก็บอกว่าแม้มันบางทีไปงานอะไรตานาๆเหล่านี้ มันก็อก็เห็นเพื่อนเพื่อนเขาก็อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็มีความรู้สึกว่าก็อยากนะเขาก็บอกอย่างนี้ก็เขเลยบอกว่าเอ้าแล้วเมื่อก่อนล่ะก็ไปงานไหนมาไหนเขาก็บอกว่าครับก็อดเอาครับอะไรอย่างนี้นะก็บอก็ดีแล้วนี่ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยชีวิตดีไหมอะไรต่างๆนานาเหลานี้เขาก็เขาก็บอกบอกว่าเนี่ย คือก็คุยกับเขานะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นยังไงยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มาขอขอโอกาสเนี่ยขอบอกว่าขอกลับไปกินเหล้าใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยนะยืนยันยืนยันทางเดียวนะฮะอย่างนั้นเราก็ก็คุยคุยกับเขาดูก็เขาก็อบอกอกว่าเออมันก็ดีนะไม่กินเหล้าก็ดีนะแต่แบบว่าเออตอนเนี้ยแบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะขอลองกลับไปดูสักหน่อย มันก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังว่าเออนี่หลายคนนะที่แบบว่าหัวนกลับไปกินเหล้าใหม่นะเหมือนหมดบุญเลยนะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี่แย่มากๆเลยนะแล้วก็อะไรที่เราเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็เยอะๆไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็เขาก็เย็บเย็บนะก็บอกว่าเออแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เริ่มกินเหล้าใหม่ๆเราไม่ได้กินตั้งแต่ทีละเล็กทีละน้อยเหรออะไรเงี้ยแล้วตอนที่มาขอหลวงพ่อหยุดเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ สุดเขาก็ยังยืนยันนะฮะยังยืนยันตรงเนี้ยก็มันก็เป็นเรื่องที่ในมุมหนึงนะ่งเนาะมันพวกเราลองนึกดูถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมของพวกเราเนาะมันก็จะมีกิเลสมาชวนแบบเนี้ยนะฮะใช่ไหมฮะมีกิเลสมาชวนแล้ว ก, ก็มีเหตุผลสารพัดสารเพที่ประกอบกันใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ละเลิกความเพียนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ น่ากลัวน่ากลัวอยู่เพราะว่าอย่างเขาเองอย่างหนุ่มใหญ่คนนี้นะเขาก็แบบยังไงอ่ะก็เขาก็ยืนยันในในสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาดีนะอย่างเนี้ยก็ ก, ก็เรียกว่าจริงๆแล้วมันก็เรียกว่าเขาก็อยู่บนความหลงแล้วก็หาคำตอบจากความคิดซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่บนความหลงนะแล้วก็หาคําตอบจากความคิดเนี่ยมันจะมีสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่เราทําลงไปตามความคิดที่ว่าดีว่าชอบนะอย่างเนี้ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ให้พวกเราเนี่ยได้ระมัดระวังกันอย่างยิ่งเนื่องจากว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเข้าทาง กิเลสเต็มเตมเลยนะถู ก, กเรียกว่าถ้าหากว่าเป็นนักมวยก็ต้องเรียกว่าถูกชกเต็มตานะฮะ <c oughs> ตรเนี้เป็นสิ่งที่เวลาที่ชีวิตของเราเราได้ดําเนินมาหันหลังให้กับความก็เรียกว่าความยุ่งยากหันหลังให้กับเรื่องราวต่างๆทางโลกพวกเราก็คงจะได้ทันก็เรียกว่า ท่านสังเกตกันเนาะว่าชีวิตในก็ เ, เรียกว่าในล่มธรรมเราก็มีเรื่องราวที่เข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตของเราเนี่ยไม่มากนักเรื่องราวที่ยุ่งเกี่ยวในชีวิตเราก็จะกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นจำเป็นอยู่ไม่กี่เรื่องแล้วก็เรื่องราวที่ทำให้ชีวิตยุ่งยากสับสนเนี่ยที่เมื่อก่อนพวกเรามีกันอยู่เนี่ยมันก็ได้จางคลายไปจากชีวิตยเยอะ ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เวลาเนาะได้เวลาเอามาสำหรับที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมที่จะเอามาใช้ในการรู้สึกตัวกันแล้วก็เวลาตรงเนี้ยที่มันเป็นเวลาที่เราสร้างกุศลให้กับชีวิตเราณนะวันนี้สิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศลพวกเราก็คงจะอาจจะไม่ได้วัดกันเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ช่างตวงเลยกันเท่าไหร่ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่อยู่ในรั้วธรรมของเราตรงนี้เนี่ยพวกเราก็คงจะพบว่าชีวิตเราก็ปล่งเบาขึ้นชีวิตเรามีเรื่องยุ่งยากน้อยลงตรงนี้ก็อยากจะบอกให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอนิสงค์เนาะของการที่เราเดินมาถูกทางแล้วตรงนี้ละเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้มั่นใจนะว่าอะไรต่างๆนานาที่เราได้ละได้เลิกไปอ่ะ ก็ลวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตทั้งนั้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่ในชีวิตเราทุกวันนี้เราก็จะเหลือเรื่องที่เรายุ่งยุ่งอยู่แค่ไม่กี่เรื่องคำว่ายุ่งยุ่งไม่ได้หมายถึงว่ายุ่งยากนะแต่หมายถึงว่าเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้ให้พวกเราเนี่ยได้ลองทบทวนกันดูว่าสิ่งที่เราไม่ได้คล้องแวะณนะวันนี้คืออะไรบ้าง แล้วก็สิ่งที่เราไม่ได้คล้องแวะณนะวันนี้เนี่ยเคยทำเรื่องราวให้เราเดือดเนื้อร้อนใจมากี่ครั้งกี่หนแล้วใช่หรือไม่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยชีวิต ท, ที่หนีห่างมาจากความเคยชินเดิมๆที่เคยมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจวันหนึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเนาะมาตรงนี้การที่พวกเรายอมยกมือสร้างจังหวะกันการที่พวกเรายอมเดินจงกลมกันตรงนี้หละก็เป็นสิ่งที่ เรียกว่าแม้เนาะก็เรียกว่าเราอาจจะยังคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไปทําไมหรือว่าเราอาจจะยังหาทางกันอยู่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงตรงเนี้ยเนาะถึงแม้ว่ายังอยู่ในการหมกมุ่นคุ้นคิดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังเป็นความคิดที่อยู่ก็เรียกว่าพยายามที่จะทําให้ได้พยายามที่จะทำให้เป็นตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าก็ถือว่าเป็นความคิดที่ ไม่ไม่ใช่เป็นความคิดที่วุ่นวายเหมือนอย่างโยมหนุ่มใหญ่คนนั้นแต่ว่าทํานองเดียวกันในแง่ของคําแนะนำนะของหลวงพ่อเทียนที่บอกบอกว่าถ้ารู้ว่าคิดก็กลับมารู้สึกตัวก่อนถ้ารู้ว่าคิดก็กลับมารู้สึกตัวก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมได้ถูกที่ถูกทางมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดการที่พวกเราเนี่ย ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนาะการที่เราอยู่ในรูปแบบเนาะจะเป็นรูปแบบของการเดินก็ดีหรือว่าจะเป็นรูปแบบของการยกมือสร้างจังหวะก็ดีตรงนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นหัวใจสำคัญเป็นเพียงแค่รูปแบบเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าเราตรงเข้าไปสู่เนื้อหาจริงๆตรงนั้นก็คือเรื่องของความรู้สึกตัวแล้วก็ความรู้สึกตัวตรงเนี้ยก็จาเป็นที่จะต้อง เขาเรียกว่าจําเป็นจะต้องแยกห่างออกจากความคิดเพราะเนื่องจากว่าถ้าเมื่อไหร่จิตไปอยู่กับความคิดเมื่อนั้นจิตก็จะไม่ได้รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้เพียรที่จะละความคิดกลับมารู้สึกตัวกันจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกตัวเป็นเพียงแค่สัว์อย่างเดียวเนี่ยตรงนั้นก็จะเหมือนกับพลาดโ อ, าโอกาสโอกาสทองของชีวิตโอกาสทองของชีวิตจริงๆเนื่องจากว่า ในขณะที่พวกเรารู้สึกตัวเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราตรวจวัดกันณนะขณะนั้นะ่ะจิตของเราก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีโศกอะไรแล้วก็ณขณะนั้นละจิตของเราก็จะอยู่ในสิ่งที่เราจะเรียกว่าวิหารธรรมก็ได้นะเพราะเนื่องจากว่าวิหารธรรมตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของจิตเราเพราะว่าจิตเราก็จะกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวอีกครั้งหนึง่งไม่ได้ไปก็เรียกว่าตกรกรรมลําบากไปตกทุกข์นะ เป็นทุกข์เป็นยากเลยที่ตรงไหนแล้วก็ตรงนั้นอะ่ะเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เองก็จะบอกบอกว่าจิตที่ไปละเหยเล่ร่อนอยู่ตรงนั้นอะ่ะเป็นจิตที่เรียกว่าเป็นจิตที่ไปเปือเป้อนเนาะไปเปื้อนเปื้อนอะไรก็คือเปื้อนความสกปรกเปื้อนความมอมแมมต่างๆจิตที่เคยบริสุทธิ์อยู่ก็ ก็เรียกว่าก็กลายเป็นจิตที่มีลาคีหลวงพ่อหลวงพชาเนาะจะพูดจะพูดอยู่คำหนึ่งก็คือหลวงพ่อชาจะบอกบอกว่ากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องที่ทําให้เศร้าหมองเนาะกิเลสเป็นเครื่องที่ทําให้เศร้าหมองตรงเนี้ยเนาะคำว่าเศร้าหมองเนี่ย ก็คือความเศร้าหมองที่อยู่ในจิตใจเรานะจิตใจที่ไม่มีกิเลสเนี่ยก็จะเป็นจิตใจที่ผ่องใสแต่ว่าเมื่อไหร่มีกิเลสมาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นความเศร้าหมองแล้วก็การตรวจวัดว่าจิตใจเราเศร้าหมองหรือไม่เนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเรารู้สึกเอาต้องรู้สึกเอาตรงนี้เนาะการที่บอกว่ารู้สึกตัวเนี่ยก็คือรู้สึกที่กายเราก็ได้ รู้สึกที่ใจเราก็ได้แต่ถ้าว่าเรารู้สึกที่ใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกกันได้เลยว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยผ่องใสหรือเปล่าตรงนี้ละ่ะคือสิ่งที่เป็นอนิสงค์เนาะของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมในแนวหลวงพ่อเทียนจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเองก็ได้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของหลวงพ่อเทียน แล้ว ก, การที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้บอกเนี่ยก็คือการที่ครูบาอาจารย์ได้ต้องเรียกว่าผันกรองมาแล้วว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็ตัดทิ้งไปเหลือแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆครูบาอาจารย์อาจจะเคยเดินหลงทิศผิดทางมาครูบาอาจารย์ก็จะบอกสิ่งที่เรียกว่าตรงที่ตรงทางที่สุดเนาะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับในพุทธการพุทธเจ้าเองก็เคยถามว่าอืม ใบไม้ในกํามือกับใบไม้ในป่าเนี่ยอันไหนมากกว่ากันเนาะอย่างนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เฉลย ER ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยก็เหมือนใบไม้ในป่านี่แหละแต่ว่าสิ่งที่พระุทธเจ้าเอามาสอนเนี่ย Port ก็เท่าเท่ากับใบไม้ในกํา ม, มือนี้เท่านั้นเองถ้าเทียบกับสิ่งที่อยู่นในมือกับใบไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยก็จะต่างกันลิบลับแต่ว่าตรงนั้นก็นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเอามาสอนก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นความจําเป็นจริงๆ เมื่อกี้พระจัจทร์สุรินทร์ก็ได้พาสวดบทหนึ่งเนาะศา ส, สดาผู้เอ็นดูแสแบงหาประโยชน์เกื้อกูลก็ได้ทํากับพวกเราแล้วทั้งหมดนะในการสวดบทสวดมนต์ตั้งแต่พวกเราสวดตั้งแต่หน้าแรกจนกระทั่งหน้าสุดท้ายเนาะที่คัดสรรมาในนี้เนี่ยก็ไม่ใช่พระสูตรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้แต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็ได้พูดถึงมุมต่างๆนาน า, น า, นาหลายๆมุมนะ ที่ได้ก็เรียกว่าได้ตักเตือนพวกเราได้บอกอะไรกันหลายๆอย่างเมื่อเช้าพระจานร์โน๊ตก็ได้พาสวดเนาะบทที่เรียกว่าธรรมุเทศใช่ไหมก็ก็เป็นบทที่พูดถึงเรื่องอนิสง์ของการปฏิบัติธรรมนะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยจะม่เห็นเนาะเห็นประโยชน์ส่วนตัวเนาะ ตรงนี้เนี่ยการที่เราจะทําประโยชน์ส่วนตัวให้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่ละแล้วก็การที่พวกเราเห็นประโยชน์ส่วนตัวเห็นประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติธรรมนี่ละก็จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดที่จะเป็นเรื่องที่ทําให้กับตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้กับผู้อื่นด้วยด้วยกันการที่เราอยู่ในวัดในวาทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยที่เขาเอาก็เรียกว่าได้ทําบุญกับพวกเราเป็นวัตถุสิ่งของเป็นสตัง เอามาใช้เอามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกเนาะในการที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกันตรงนี้ละ่ะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองก็บอกบอกว่าอา น, นิสงส์ของตรงนี้เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากๆเลยถ้าพวกเราเนี่ยได้ใช้เวลาทำกันได้ใช้เวลาปฏิบัติธรรมกันตรงนี้ได้ได้ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเราเองแล้วก็ตรงนี้ละ่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ก็เรียกว่า ญาติโยมเนี่ยได้บุญกันตรงนี้ญาติโยมของพวกเราก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่บ้างโยมพ่อโยมแม่จะเป็นญาติจะเป็นพี่น้องจะเป็นแหล่งตา น, านาเหล่านี้จะเป็นเพื่อนฝูไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่านั่นคือตรงนี้เราก็ได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเนื่องด้วยผู้อื่นเนะาะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เลือดเนื้อของเราเลี่ยวแรงของเราเราควรจะเอามาทาอะไรกันแล้วก็สิ่งที่พวกเราเองเนี่ย เมื่อก่อนนะอาจจะเป็นสิ่งที่เคยเห็นอยู่ในทางโลกนะอาจจะนึกถึงการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็เมื่อก่อนนะก็โดยส่วนตัวก็มักจะนึกถึงไม่กล้าคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวต้องบอกว่าไม่กล้าคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวอายที่ที่จะคิดถึงประโยชน์ส่วนตัว เวลาที่จะทําอะไรเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทําให้คนอื่นก่อนอยากจะให้คนอื่นได้ประโยชน์ก่อนซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นั่นเราก็คิดเอาแบบโลกโลกนะแต่ว่าพอมาอยู่กับทางวัดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็พบว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าไม่เบียดเบียนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นจริงๆการที่เราทําเพียงหนึ่งอย่างก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ้าหากว่าเราทําถูกทิศถูกทางการที่พวกเราเนี่ย อยู่กับก็เรียกว่าความรู้สึกตัวตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นทั้งประโยชน์ตนแล้วก็เป็นทั้งประโยชน์ท่านในเวลาเดียวกันเพราะว่าหลวงพ่อคําเขียนเองก็บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยกลับมารู้สึกตัวก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามกลับมารู้สึกตัวก่อนเมื่อวานพระอาจารย์สรงศิน์ก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่อง เ, อเมื่อวานหรือเมื่อเช้าได้จําจไม่ได้ได้ฟังถึงเรื่องอเรื่องผีนะใช่ไหมฮะ เรื่องคนที่เสียชีวิตไปหลวงพ่อเขียนเองก็เคยในขณะที่หลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องเรื่องนี้อยู่เหมือนกันหลวงพ่อก็บอกว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็ฝันนะฝันถึงผีนี่แหละใช่ไหมฮะความฝันตรงนี้ก็เป็นความฝันที่หลวงพ่อเองก็บอกว่าผีก็เป็นจริงๆคําว่าผีก็คือคนตา ย, ยนะศพที่หลวงพ่อเคยเห็นเนี่ยก็กลิ้งเข้ามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ ตอนนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าอยู่ในฝันนะสิ่งที่หลวงพ่อทําก็คือหลวงพ่อก็บริกรรมไล่ผีเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเคยเคยมีเขาเรียกวิชานี้อยู่เนี่ยก็ผีก็เขาเรียกว่าก็กลิ้งหนีไปพอสิ้นคําบริกรรมผีก็กลิ้งมาใหม่อย่างเงี้ยนะหลวงพ่อก็บอกว่าก็สู้กับผีอย่างเงี้ยอยู่จนกระทั่งหลวงพ่อก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสิ่งที่พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมานั่งยกมือสร้างจังหวะเลย ตรงนี้แหะก็หลวงพ่อก็บอกว่าการยกมือสร้างจังหวะคราวนั้นเนี่ยภาพของผีเนี่ยก็หายวับไปกับตานะเพราะว่านั่นคืออนิสงส์ของความรู้สึกตัวตรงนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อเองก็มายืนยันกับพวกเรานะว่าตรงเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะกลับมารู้สึกตัวไปก่อนแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่นี้อย่างเดียวแต่ว่าไม่ว่าเราจะก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะไหนก็ตามไม่ว่าเราจะ กำลังดําเนินอยู่บนเส้นทางการปฏิบัติธรรมในระดับไหนก็ตามการที่เรากลับมารู้สึกตัวก่อนนี่คือที่สุดนะนี่คือที่สุดเพราะว่าการที่พวกเราเริ่มต้นรู้สึกตัวกันเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวตรงนั้นเวลาของความรู้สึกตัวก็จะเป็นเวลาที่เราไม่ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในความรู้สึกตัวเมื่อนั้นเราก็ไม่ตกอยู่ในอํานาจของกิเลส ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวแค่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเนาะก็ขอให้พวกเราเนี่ยเนาะได้ชัดเจนกันเนาะกับคำสอนของครูบาอาจารย์เนาะการที่พวกเราเนี่ยจะได้ทำให้เป็นกับสิ่งที่เราเรียกว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำที่อยากให้พวกเราเนี่ยหนึ่งก็คือได้จดจำกันเนาะ กายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้มีกายที่เคลื่อนไหวเมื่อไหร่เอาใจมารับรู้ตรงนี้นะเป็นสิ่งที่คำสอนที่ไม่มากแต่ว่านี่คือกุญแจดอกเอกเนาะเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้ถ้าหากว่าพวกเราทำกันอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไม่มีการที่เรียกว่าผิดหลงทิศผิดทางเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ย การยกมือสร้างจังหวะเนี่ยคำว่ายกมือสร้างจังหวะก็อาจจะทำให้เกิดอุปทานที่มือเนาะถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยพลาดไปเอาความรู้สึกเนี่ยไปอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวเนี่ยเนาะเอาความรู้สึกไปอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวมือเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวจะเป็นจุดรองลงไปถ้าเกิดว่าพวกเราตามมือไปเนาะตามมือไปเรื่อยๆตามมือไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า เราก็จะกลายไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าไปเพ่งไปจ้องเมื่อไปเพ่งไปจ้องเนี่ยเราก็พลาดโอกาสที่จะรู้สึกกับการที่กลายเคลื่อนไหวแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเนาะได้ทำเนาะได้ทำแล้วก็ได้จําคําของครูบาอาจารย์ไว้กลายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้กลายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้ตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าพวกเราสํารวจตรวจสอบนะนี่เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวจริงๆหรือเปล่า หรือว่าเราไปตามมืออยู่ตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเนาะในการที่พวกเราเนี่ยจะได้เข้าสู่ก็เรียกว่าความรู้สึกตัวที่แท้จริงเพราะว่าหัวใจสําคัญของการปฏิบัติในแนวหลวงพ่อเทียนก็คือสิ่งที่เราอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเป็นตัวเจริญสติกันถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่มีกายเคลื่อนไหว ตรงนั้นสติก็จะทำงานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้ฝึกในรูปแบบกันมีกายเคลื่อนไหวจะอาศัยการยกมือสร้างจาาังหวะหรือจะอาศัยการเดินจงกรมก็ตามตรงเนี้ยเนาะก็จะเกิดการเคลื่อนไหวของกายขึ้นก็ให้พวกเราเนี่ยเนาะได้พยายามเนาะที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวตรงนี้รับรู้การเคลื่อนไหวตรงนี้ให้จิตเนี่ยได้จดจาการเคลื่อนไหว ถ้าหากว่าจิตได้จดจำการเคลื่อนไหวตรงนี้เอาไว้ได้อย่างดีเนี่ยการเคลื่อนไหวในรูปแบบก็จะต่อเชื่อมไปถึงการเคลื่อนไหวนอกรูปแบบได้อย่างดีเนื่องจากว่าชีวิตเราเนาะการเคลื่อนไหวในรูปแบบเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาที่หาทางให้เรียบร้อยเนาะหาทางนั่งหาทางเดินกันให้เรียบร้อยกันแต่ว่าชีวิตเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กับการเคลื่อนไหวนอกรูปแบบกัน ถ้าหากว่าพวกเราทําให้จิตเนี่ยได้จดจาการเคลื่อนไหวในรูปแบบเอาไว้แล้วเมื่อมีการเคลื่อนไหวนอกรูปแบบตรงนั้นจะเป็นอนิสงส์ที่เขาเรียกว่ามหาสารเพราะเนื่องจากว่าเวลาทั้งวั น, ท, วนทั้งวันของพวกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเวลาที่เป็นการปฏิบัติธรรมไปทั้งหมดเนื่องจากว่าเราจะอาศัยการเคลื่อนไหวในการทำการงานไม่ว่าอะไรจะเป็นคนที่มีงานประจา หรือไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวัดในวาจะเป็นงานที่เราทำอยู่ในวัดหรือไม่ว่าจะเป็นงานที่เราทำเป็นงานอดิเรกอะไรยังไงก็ตามเนี่ยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่มีความเคลื่อนไหวประกอบไปทั้งหมดถ้าเราได้ใช้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งวันเนี่ยเป็นตัวเจริญสติเราก็จะคิดจะพูดจะทำเนี่ยมีสติกํากับไปทั้งหมดการกระทำของเราก็จะเป็นการกระทาที่งดงาม จะเป็นการกระทาที่มีผลใหญ่จะมีผลใหญ่ทั้งตัวเราแล้วก็มีผลใหญ่ทั้งคนอื่นตรงเนี้ยเนาะเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ได้เพียรเนาะความเพียรที่จะรู้สึกตัวความเพียรที่จะรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นแค่เพิื้เบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเป็นนักเรียนหัดกันไม่ใช่แต่การเพียรที่จะรู้สึกตัวตรงนี้ละ เป็นสิ่งที่หลวงพ่อ ก, กำเขียนบอกว่านี่คือความเพียรที่ถูกต้องเพราะว่าในขณะที่เรากําลังเพียรรู้สึกตัวอยู่ตรงนั้นหมายความว่าเราก็กําลังเพียรที่จะละความคิดซึ่งความคิดตรงนี้เป็นตัวสมุไทยเป็นตัวที่ต้นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์แล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมามากมายในสังคมแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรยังไงก็ตาม ตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากตัวสมุทัยหรือตัวความคิดตรงนี้ทั้งหมดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกนะก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาจากความคิดอย่างตรงนี้การที่เราจะเข้าไปเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเราเองเราก็ต้องระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติเนาะถ้าหากว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติจะมีก็เรียกว่ามีคุณเนาะ มีคุณเยอะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดจะเป็นเขาเรียกว่าความคิดตรงนี้จะเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นคําพูดหรือเป็นวัตถุสิ่งของอะไรยังไงก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยนะก็ล้วนแล้วแต่สิ่งที่เราเรียกว่าเราเข้าไปยุ่งแล้วเนี่ยก็จะเกิดทุกเกิดโทษไม่มากก็น้อยเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เรากลับมาเนาะกลับมารู้สึกตัวกันกลับมารู้สึกตัวกัน ตรงนี้ไม่ใช่เป็นอนุบาลไม่ใช่เป็นมัธยมไม่ใช่เป็นอะไรทั้งหมดแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวที่จะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยปลอดภัยเป็นความรู้สึกตัวที่จะทำให้จิตใจเราเนี่ยได้กลับมาสู่ความบริสุทธิ์ความสะอาดไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีทุลีกิเลสนะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็อยากให้พวกเราทุกคนที่อยู่ในลั้วสุกโตที่อยู่ในล่มธรรมของพระพุทธเจ้า ที่กำลังเพียรที่จะปฏิบัติธรรมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ทําความรู้สึกตัวกันให้เป็นกันทุกคนทําความรู้สึกตัวให้ก้าวหน้ากันทุกๆกคนแล้วก็ทําความรู้สึกตัวให้พาพวกเราเนี่ยไปถึงจุดที่ไม่มีทุกข์ด้วยกันทุกๆคนก็ขอให้พวกเราเนาะได้เพียรทำกันตรงนี้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อคำเขียนเป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนแล้วก็เป็นสิ่งที่ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้เพียรบอกพวกเราก็ขอพวกเราเนี่ยได้ไปถึงจุดเนาะไปถึงจุดนั้นไปถึงจุดที่เรามีความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมแล้วก็ตรงนั้นหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมทำให้ตัวเราเนาะไม่มีทุกข์กันทั้งหมดนะก็ขอให้พวกเราได้ทำความเพียรตรงนี้กันเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเนาะ ใครที่ทำได้เก่งแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างใครที่ยังทำไม่เก่งก็ขอให้ทำให้เก่งขึ้นใครที่ทำเป็นแล้วก็ขอให้ทำให้คล่องขึ้นดีขึ้นตรงนี้ละก็จะเป็นสิ่งที่ความรู้สึกตัวก็จะเต็มไปทั้งหมดเนาะในทุกๆอนุแล้วก็ความรู้สึกตัวตรงนี้ก็จะเป็นขุนเป็นพรของพวกเราทุกๆคนก็ขอให้พวกเรากราบพระพร้อมกัน